ธรรมะของพระพุทธเจ้าการิงก็ไม่มีอะไรใหม่มีแต่ของเก่าของเราที่ก็เพื่อปฏิบัติก็ปฏิบัติของเก่ารู้เห็นเห็นสิ้งในจิตในใจก็งของเก่ามีอะไรแปลม่มีอะไรใหม่มาแต่เถ้าว่าเราเห็นใหม่ใจว่าเป็นของใหม่ ความเพียงมันเป็นมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เหลือปัญหาสิมันอยู่ในจิตในใจมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนแต่เกิดมีมาในสาวกขี่พบที่ชาติสิมันติดข้องจิตใจมาด้วยอํำนาจที่เหลือปัญหาอุปทานจำพวกเราจรึงได้มาเกิดตามเรื่องของเชื่อสิมีอยู่ผู้สิมีเชื่อ ในทางดีมีบุญมีผุ้สนโดยสะสมคุณงามความดีเอาไว้การเกิดก็ยุ่มหยุ่มโดนดอนซุ้งซุงต่ำต่ำตามตรรมสี่ตัวสร้างเอาไว้คนที่มีกรรมดีสร้างเอาไว้กรรมดีก็จะแนบแจกจัดให้ไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขเมื่อหมดกรรมดีก็องตกกลงมาสู่กรรมชั่วหรือไปเกิดในสถานที่ต่ำช้าลามก สิ่งตัวของตัวในศาสนา <c oughs> เราเกิดม า, าเพราะเรื่องของกรรมอย่างนั้นอต่าเราหมดเรื่องของกรรมทําจิตทำใจให้สะอาดทําจิตทำใจให้บริสุทธิ์ภ <c oughs> พชาติของเราก็ไม่มีอีกนี่แสดงว่าเรื่องภพชาติที่เรามาเกิดมาตายกันอยู่นี้ผลเนื่องจาก ที่เหลือัญหามานาชิดชิอวิรชาอุปาทานจมต่างๆสิงง่งเคยมีอยู่ในจิตในใจมาก่อนแล้วการปฏิบรรัติธรรมะการศึกษาธรรมะการที่เจรณาธรรมะก็เป็นเรื่อง <c oughs> จะํำระล้างสิ่งที่ชั่วทกตะปกส่วนนี้ให้ตกออกไปจากใจของตัวแต่นั้นเมื่อจิต ของเรายังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่ อ, องยังไม่ถึงวิมุตตินิพพานจินจําเจนอยู่โดยดีที่จะต้องฟังหน้า่ัางตาศึกษาพิจะะารณาสัมรรจัยถมองข้ามให้มันเป็นไปเองนั้นมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเป็นไปตามใจเราชอบเพราะเรื่องของอกิเลสจัญหานั้นเหมือนกันกับโรค ทางหากเราไม่ร <s hr lei> te ักษาโรคบางอย่างมันก็อยู่ในเนื้อในตัวหน้าวันเจริญเติบโตเรื่อยไปผลที่สุดกอกระทั่งเราตายเพราะโรคนั้นเหยียดเบียนตายอย่างที่เดือดั่นหาอยู่ภายในใจก็ทํานองโยวกันเด่งต้นมันก็ไม่มากมายหลายหลวงเท่าไรแต่เมื่อ เราไม่ชำราสาสาง ม, มันปล่อยมันไว้มันก็มากขึ้นทวีคูณขึ้นเหมือนกันกับใบไม้หรือฝุ่นผงตึงอยู่ในที่พักที่อาศัยของเราเปลี่ยนสติวิหารสลาเป็นต้นถึงเราปัดกวาดอยู่ทุกวันทุกเวลากวาตามแต่มันก็ยังมีอยู่ ยามเย็น จ, จะต้องปัดกวาดอยู่เรื่อยๆไม่อย่างนั้นก็นั่งไม่สบายนอนไม่สบายดูแล้วโรคตาโรคใจไม่สบายไม่สะดวกการชำระจิตใจตการพิจารณาธรรมก็ทำนองเดียวกันสองชำระอยู่เรื่อยๆแต่เรายังมีความของติดจิตรง จิตยังไม่พ้นไปจากเรื่องของกิเลสตัญหาเมื่อไรต่อตั้งใจต่อพูดปฏิบัติรักษาเรื่อยไปเมื่อจิตสะอาดเราก็สามารถอยู่สุขอยู่สบายเหมือนผ้าของเราสะอาดเราจะนุ่งจะห่มก็สบายบ้านของเราสะอาดเราจะนั่งจะนอนเราก็สบายผ้าห่าสก็ปรกเรา เราจะเนื่อยจะห่มก็ไม่สบายจะไปทั้งคมที่ไหนก็ไม่สบายใจเพรากลัวเขาจะลังเกียดมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องจิตใจสะอาดจิ่ง เ, เป็นเรื่องสําคัญสามารถที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆให้หมดไปตกไปเพราะเรื่องจิตใจนั้นเป็นผู้กอ่อทุกสะสมทุก ยิ่งกว่าเรื่องของตายโรคของใจจึงไม่น่ากลัวเท่ากับโรคของใจโรคของใจนั้นนักปาชหัวไปสันตัวมากเพราะถ้าหากไม่ไปฏิบัติรักษาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะหายได้ตายไปแล้วโรคคือจิ่เหลือัญหาโรคคือความเัีวช้าเสียหายมันยังจิดไปอีก ส่วนโรคของใจย่ยาเรามารักษาไม่หายตายมันก็ดับไปเองศูนไปเองมันถึงที่สุดแส่ตายเท่านั้นตายไปแล้วก็ไม่ต้องมีโรคมี้ภัยส่วนนั้นมาเกี่ยวข้องอีกโรคของใจมันสั้นเพียงแส่นั้นแต่โรคของใจนั้นมันจิตต่อก่อพบก่อชาติเดือยไปบาด ท, ทั้งหลายแผ่นจริงกลัว อย่างโรคห้องใจยิ่งกว่าโรคห้องใจเราทั้งหลายที่มีโรคห้องใจเพีมีวิเลตันหามาณทิติีดประมานสรวจตาที่เจรนาทำร้ายจิตท้องตัวสุตจิตท้องตัวจิตตังทันตังสุขภาวะหังจิตจิดสุดดีแล้วนำความสุขมาให้พาสิทธทางศาสนาสอนเอาไว้อย่างนั้นจะสุขอย่างไรจิตจึงจะดี ก็ฝึก ด, ด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ได้ฝึกหน อ, อกเหนือไปจากธรรมะเมื่อเราฝึกไปฝึกไปใจเีียคยท่องจิตคิดจงต่างๆก็ค่อยสะอาดไปหลุดหล่นไปใจก็สงบใจก็เยือกเย็นตาเห็นหูได้ยินแขนที่จะเกิโดโยกเกินหล ง, ต, งต่างๆมันก็ค่อยเบาบางไปขาดไปตกไปเพราะใจ มีอจัจใจมีทมใจมีสมาธิความหนักแน่นใจมีปัญญารอบคอบรอบรู้ในสิ่งทั่วไปตามเป็นจริงของมันการฝึกใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเราทุกคนเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตฝึกใจนั้นไม่มีใครที่ไหนอื่นจะมาฝึกให้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นจะฝึกใจของตัว พขพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ก็เป็นแต่ผู้แนะสอนให้ไม่ใช่ท่านจะมาฝึกใจแทนเราแต่นั้นโอกาสเวลาที่เราได้มาวัดมาวามาปฏิบัติจิตใจจึงควรตั้งหน้าสำละสะสางจิตใจข่องตัวขี่ชั่วขี่ผิดให้ตกออกไปหลุดออกไปให้จิตรู้เห็นเด่นชัด ในอัดในทำที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อจิตเห็นตามเป็นจริงแล้วโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาวุ่นวายในจิตในใจของเราเขาเป็นอยู่อย่างไรเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นความจริงจิตของเราเท่านั้นคือไปเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นแบบเราแบบของของเราเมื่อได้มาคอยยึดถือ เป็นทุกข์เพราะการรักษาเสียหายไปก็เสียใจเศร้าโศกมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องของจิตแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้รับรองว่าเขาเป็นเราเป็นเจ้าของของเขาใส่เอาไปก็เ็นาที่ของเขาเอาไปเแ่านั้นเขาไม่ได้ถือมั่นแบบเราเป็นของของคนนั้นเป็นของของคนนี้ เขาไม่ไดีมีความหมายอะไรแต่ใ จ, ใจมันไปยึดไปถือไปกอะไปเกี่ยวมันก็เลยยุ่งเลยลำบากฉะนั้นการชำระใจการพิจารณาธรรมะพิจารณาไปพิจารณาไปจ น, าานใจรู้แจ้งแทงสลอดใ น, นเรื่องของธรรมะ <c oughs> หมดทางที่จะรักษาหมดทางที่จะแก้ไขเหมือนกันกับ าตาหรือดิงสอของเราหมดหมึกถึงจะคิดนึกไปก็คิดได้เหมือนกันกับเราเขียนไปเขียนได้แต่ถ้าว่าหมึกไม่มีนั่นใน่ิดก็ได้พอเขียนเสร็จอ่านก็อ่อานไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะไม่มีหมึกติดอยู่ไม่รู้ว่าเขียนอะไรไปเขียนไปหมังหมักมันเป็นอย่างนั้นความคิดของท่านความปรุขงของท่านที่ท่านเกิดจิต ในทางศาสนาก็ทานองเดียวกันขันยังมีอยู่รูปหมายถึงรูปตายหรือรูปถั่วไฟที่ขันมองเห็นรูปตายของขันก็ดีรูปถั่วไปในสถานที่ต่างๆก็ดียังมีอยู่เสียงหรือ เ, อเอนาความสุขความทุกข์ันก็ยังมีอยู่สัญญาความจาได้ไหมรู้ ก็ยังมีอยู่สังขารสามพวงท้งองใจก็มีอยู่ยินญาณความทราบเรื่องต่างๆนาน า, นาก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าหรือสาวกยังมีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปาทานสิ่งเหล่านี้เป็นขันธธรรมดาไม่มีอุปท า, านต่อไปยึดเหมือนไม่มีหมึกถึงนึกถึงคิดก็นึกคิดไป แต่ไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือในสิ่งเหล่า น, นั้นเพราะทราบตามเป็นจริงของมันจิตจี่เป็นรีโมทบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เมื่อยังมีจิตมีขันอยู่ก็ต้องใช้มันไปแต่จะหลงไหลยึดถือนั้นเดินไปไม่ได้สันจริงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยขันคิดอะไรพูดอะไรแทนที่ ใจดีใจเสียใจไปตามทาคิดคําพูดท่องตัวมันไม่เป็นไปอีกเพราะอันนี้เป็นเรื่องของขันที่ทายกันอยู่ในโลกสิ่งที่เหนือโลกคืออะไรท่านทราบภายในของท่านท่านจึงไม่มีการสาละท่านจึงไม่มีการบําเพ็ญเพราะสิ่งนั้นมันเหนือจากการจะสาละเหนือจากการจะบําเพ็ญที่จะเป็นไปอย่างนั้นก็เพราะ อาศัยความผาดความเพียนดวงส่งนก่อรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาละกิเลสเรื่อยๆไปจนจิตใจถึงความบริสุทธิ์แล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีตที่หลวงมาแล้วเหมือนกีแสนทีผู้ที่ทำร้ายจิตจะเป็นอย่างนี้อนาคตคนที่หมดกิเลสก็เป็นเหมือนกัน ยังไม่มีอะไรที่จะสงสยัยว่าจะทำอย่างไรอีกนี่คือการเสด็จจิตในทางพระพุทธศาสนาอยู่หรือตายมีคุณค่าเท่าเดิมไม่มีอะไรที่จะเสียหายของเหล่านี้มันมีมาตแต่การไหนสมัยใดไม่ใช่ว่ามันเกิดขึนมีขึนวันนี้คืน น, น, นี้แต่เรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่ดีไม่เด่ น, น, น, นอย่างนั้น เราก็สงสัยพอเกิอดอะไรขึ้นมาก็ไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นของใหม่ความจริงมันมีแต่ของเก่าความเกิดความตายกันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความดีใจเสียใจมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรความรู้แฉ่งแฉ่งตลอดนั้นมันก็มีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดเอาไว้เลยไหน ม, มองเห็นเด่นชัดให้ใจจึง จิตจิงข่องจิงเย็ดจึงถือจิงหลุมหลุมดอนดอนสุกๆุกทุกๆอยู่เลยเื่อถ้าหาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตัวฝึกฝนจิตใจของตนอยู่เลยเื่อจิตจะเห็นจะเปลี่ยนจะดีจะเด่นจะพ้นไปจากโลกสมมุติแล้วความสุขบริสุทธิ์เป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครที่จะอธิบายได้ พะมันเหนือสมมติขั่วไปอยากเข้าใจอยากเห็นก็ต้องจดทาบำเพ็ญโดยเั้ของตัวเองไม่ใช่ว่าจะให้มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้โดยไม่เด้ตั้งหน้าตั้งตาชำระสาสางตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตรักษาใจของตัวการปฏิบัติเหน่อมันยังมีขั่วมีดีอยู่มันก็จะต้องปฏิบัติเรื่อยไปเหมือนกับ เราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องมีการกินการถ่ายเป็นธรรมดาแต่การกินการถ่ายนั้นคนแก่อย่างพวกเราทั่วไปกินไปทำไมกินแล้วมันห้ามแก่ได้ไหมกินแล้วมันกันตายได้ไหมกินแล้วมันมีอะไรที่จะดีจะวิเศษขึ้นก็ทราบดีว่าเราจะทานอาหาร อ, ร, อร่อย ร้านี้บรรจงขนาดไหนท่านใหญ่โตมันก็ไม่ใหญ่โตขึ้นไปอีกตามจะเลินทางกายจะให้มันหนุ่มมันสาวขึ้นอีกมันก็ไม่มีทางแต่เทอว่าชีวิตยังมีอยู่กว่าจาเป็นจะต้องดูแลรักษามันไปมีกา ร, ป, ร ป, ปฏิบัติของพาเรีเจ้าผู้จิตสำนึกเสขา บ, บุคคลขอทานองเดียวกันขันยังเดินจงกรมภาวนา ทัานยังรักษาขอวัดปฏิบัติตามสมมุติอยู่แต่การกระทำของท่านนั้นไม่มีความหมายเหมือนกับคนเถียทานอาหารทานไปแล้วก็จะต้องตายกวทราบอยู่แต่ก็ต้องทานอยู่เพราะชีวิตยังมีนี่การประพฤติปฏิบัติของท่านที่บริสุทธิ์ก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นพวกเราท่าน ทุกคนสี่สวนใจมาประพติปฏิบัติก็รีบเร่งบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นในจิตในใจของตัวจึงจะเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของสุกขุมละเอียดเป็นของดีของวิเศษเป็นของที่มีค่าสูงยิ่งกว่าทุกสิ่งในโลกผู้ประพืชปฏิบัติขอดใจในอดในธรรมจริงจัง เชื่อมั่นในธรรมที่ตัวเห็นตัวเป็นไม่มีสิ่งใดที่จะว่าดีเด่นประเสริฐยิ่งกว่าอาัศวะธรรมที่ตัวประพฤติปฏิบัติรู้เห็นทานจรงเย็นสาบายในจิตในใจไปสถานที่ใดไม่มีภัยพ่อใจของตัวหมดไัยไปสถานที่ใดก็อสุขพอใจของตัวเป็นสุข หนีการทำราใจได้รับความสุขความสบายเปรดวิเศษอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงแน่้สอนให้ทำร้าจิตทำราใจของตัวโดยขอวัดปฏิบัติตั้งใจกาหนดรักษาภาวนาทำความเทียนเพราะชีวิตของเรามันจะเอาแน่นอนไม่ได้ความเกิดความตายของคนไม่ มีเื่องหมายในันัการจะเป็นทาสเป็นแนนเป็นนักปฏิบัติหรือจะเป็นคนทาน <c oughs> ไม่เอาทานอะไรก่าทํานองเดียวกันถึงวันถึงเวลาไม่เลือกหน้าว่าหนุม่มว่าสาวว่าเด็กเล็ดเด็กแ ด, ก ด, ก ด, ก ด, กดงหรือผู้เท่าผู้เจมันก็ตายไปได้เมื่อตายไปแล้วไม่มีคุณงามความดีอะไรไประจําจิตประจําใจคองสน ก็เหมือนคนจนไม่มีสมบัติจะไปสถานที่ใดก็ทุกยากเหียนใจอยากขึ้นนั่งรถยนตรถไฟส่วงยินกับเขาก็ไม่มีเงินให้เขาก็ไม่ให้นั่งให้ไปจำเจนใจต้องเดินทางลำบากอยากหลับอยากนอนอยากรับประทานอะไรก็ลำบาก เพราะไม่มีอะไรที่จะซื้อจะหาจากคนอื่นเพราได้มีความทุกข์ความลำบากของตายหากไม่มีสมบัติภายนอกไม่มีเงินมีทองมีเข่ามีของจะต้องลำบากอย่างนั้นคนที่ตายไปกว่าทำนองเดียวกัน หากไม่มีคุณสมบัติคือกรรมดีที่เราสะสมเอาไว้เราอยากจะไปสถานที่ใดก็ทุกอยากเขียนใจจะไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ไนเหมาะสมเกิดในสถานที่ตัวงหนปราถนาเกิดใดจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีคุณสมบัติเหมือนกันกับเราอยากจะไปนอนโรงแรม ท่านหนหึ่งดีๆแต่เราไม่มีเงินมีทองให้เราไม่เข้าจำเจ้นก็จะต้องนอนตามถนนร่มไม้ตามกี่พอพักพออาศัยได้เท่านั้นการเกิดการตายของคนจึงสำคัญอยู่ที่กรรมที่เราทำเอาไว้กรรมนั้นเราจะทำได้ ก็าเมื่อเรายังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่เมื่อเราตายไปแล้วจะไปทำกรรมอะไรนั้นมันทำไม่ได้เพราะร่างกายไม่มีจะทำอะไรอีกไม่ได้เพราะการตายมันหมดคุณค่าถึงคนนั้นจะเป็นคนที่มีสติจจปัญญาเกยบแรมขนาดไหนตายไปแล้วก็หมดคุณค่าสำหรับตายอะน น, น จะทำประโยชน์จะเน้สอนคนอะไรก็ทำไม่ได้คนชั่วโจินมานก็หมวนกันถ้าตายไปแล้วมันจะไปป้นไปขี้ไปข่าไปทีมันก็ไปไม่ได้คนตายเป็นอย่างนั้นทั้งคนดีคนชั่วแต่กรรมที่เขาทำไว้จิตตัวของเขาไปทางศาสนาจิงที่ว่า เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้จิตตามกรรมที่เราทำโดยใจเรี่ยกว่าใจยัดกรรมทำโดยวาจาเรียกว่าวัยีกรรมคิดโดยใจเรียกว่ามโนกรรมทึ้งเหล่านี้เราทําอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ใช่เราไม่ได้ทําแต่กรรมที่เราทําไปนั้น เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วคนที่มีอัตมีธรรม ม, รร ม, ม, รรมีสติปัญญาจะต้องตรวจตาพิจรารณาเรื่องของเครืออยู่สม่ำเสมอทําอย่างนี้จะเป็นผลดีผลชั่วแก่ตัวอย่างไรถ้าหากเราตรวจตาพิจารณาเราจะทราบอันนี้เป็นของไม่ดีศาสตรทั่วไปคนดีทั่วไปจาหนิยมินคาถ้าหากเราทําแกเราเราก็ไม่ตาปธนา กพราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชัื่อช้าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถ้าเราพิจารณาไ ด, ได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยการคิดด้วยใจว่ามันไม่เหมาะสมให้มันเป็นภัยอันตรายแก่ตัวอย่างนั้นภครเล่าภาชนะสิ่งที่ชัื่อช้าเสียหายมันจะต้องปล่อยวางละทิ้งสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้น พอเราทำไปแล้วเราจะรับตกมส่วนนี้เราปรารถนาไหมย้องใหม่ดีท้องให ม, ม่เหมาะสมเมื่อเราไม่ปาารารถนาแล้วก็ปล่อยทิ่งเราไม่ทำจรรมที่ขั่วเสียจึงใดที่เป็นรรมดีนักปราดญทั่วไปสละเสริญเยนยอคนอื่นทำกับเราเราก็ยินแย้มแจนมใจขอบบุญขอบคุณเขา เราทำต่อเขาเขากดมีความดีใจพอใจไม่มีภัยอันตรายตามนั้นได้ชื่อว่าเป็นกรรมดีจะทำเดืใจจะพูดเดวาาืว่าจาจะคิดเดือใจเป็นกรรมขีหนาสำรเสริญเป็นกรรมที่ปลาดทั่วไปยินดียกย่องเราต้องทำถึงแมว้ว่าจะฝ่าฝืนอย่างที่เเลือดตันหา ในของเราเราก็ต้องฝ่าศุ่นทำเพราะทำไปแล้วผลที่ได้รัเป็นของดีมีคุณค่าเราจึงฝ่าหุนมันทำไปเมื่อเราทำไปเราก็มีจิตใจเยือกเย็นคิดว่า ก, กายของเราทำไปนั้นเป็นสารประโยชน์วาจาของเราพูดไปนั้น ไม่มีโทษมีใครจิตใจที่เราคิดไปนั้นไม่เป็นกิเลสกันหาเราตรวจที่จาจรนาดูเพียงแค่นี้ว่าไม่มีอะไรที่โกปลกไม่มีอะไรที่เป็นทิดเป็นไัใจมันก็เย็นใจมันก่อสบายนี่คือการสวดตาพี่เจรนาะแกกไขไล่สิ่งที่ชั่วออกไปจากตายจากใจของตัวสิ่งที่ดีสะสมเอาไว้ให จิตใจด้รับความสุขความสบายนี่คือการภาวนาการศึกษาจิตใจของตัวเ่วดีอย่างไรเราเท่านั้นจะทราบคนอืน่นไม่ใช่ขีดข้าเพราะจะมารักษาใจให้เราเราเองจะต้องรักษาใจของเราถ้าต้องการดีก็ต้องละทิ้งสิ่งที่ชั่วที่เสีย ถ้าต้องการไม่ต้องการชั่วก็อย่าไปทําชั่วเพราะชั่วถ้าเราไม่ไปทํามันก็ไม่มาจิตเสี่ยนในจิตในใจของเราเราไปสถานที่ใดเพราะเราไม่ได้มีความชั่วในกายในใจของเราเราก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษในกลัวคนนั้นจะตำหนินินทาในกัวคนนั้นจะจับกลุ้มคุมตัว เพราะเราไม่มีชั่วจะงาพาเผยอยู่ในปัจจุบันก็สะดวกสบายไปข้างหน้าก็สะดวกสบายเพราะจิตของเราสะดวกสบายจนปฏิบัติไปถึงขี่สุดรีโมทแล้วตอนนั้นไม่ต้องพูดกันเพะมันหมดสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างไปว่าจะควรทำอย่างไรอีกทุกชาติจะมีหรือไม่ เราเข้าใจในตัวของเราเองเพราะทำเป็นฝันทิดผิดโกเห็นเองในจิตในใจของตัวเป็นอาการลิโกไม่มีการมีเวลาทำเวลาใดเข้าใจเวลาใดความดีและความชั่วมันจะประทับอยู่ในกายในใจของตัวทำชั่วไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินดนันน่งนอนเขี่ับที่แ้งมันก็เป็นชั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าหากจิต มีสติมีปัญญาจิ้งกลัวเรื่องความชั่วยิ่ง ก, ว, กว่ากลัวสิ่งอื่นจะคิดจะพูดจะทำสิ่งที่ชั่วนั้นละอายขยะขยแยงเหมือนกันกับคนทีนมีหล่างใจสะอาดแต่งเมื่อแต่งตัวดีแล้วจะไปสู่สถานที่โสกประปกไม่จับต้องสิ่งที่โสกประปก ไดแแครถามสิ่งที่สโสกกระโปกไม่ยอมเพราะเหตุใดเพราะสิ่งนั้นจะถูกตัวของเขาจะถูกเสื้อผ่าของเขาเขาไม่ยอมไปแตะต้องคนดีมีสติปัญญารักษาจิตก็ทําทนองเดียวกันสิ่งที่ชั่วที่เป็นทิ่เป็นไทยโกระโปกสโสมมนั้นท่านไม่ยอมทํายอมพูดยอมคิดไปเพราะคิดทาพูดไป ตัวนั้นก็จะมาจิตจิตใจของท่านใ ห, าาให้ได้ชำระสาสางให้ได้รับรับความลำบากท่านที่นี้พี่เจรณาอย่างนั้นเดียวของพวกเราท่านมีโอกาสเจลาที่จะพี่เจรณาํำระจิตใจแก้ไขตัวเองไม่ใช่ว่าเราหมดอำนาจวาสนาไม่ใช่ว่า เราอาภัพอับปัญญาทุกคนท่าหาที่นิพิจารณาต่างหน้า่างตากำหนดจิตของตัวจะทราบดีสิ่งที่ชั่วที่เสียกว่าดีสิ่งที่มีสาระประโยชน์กว่าดีจะทราบเพราะจิตไปสัมผัส ก, กับสิ่งนั้นนั้นเย็นมันก็รู้ร้อนมันก็รู้เหมือนกันกันกบใจอ่อนมันก็รู้แข็งมันก็รู้ เพราะมันสําผัสจิตใจของเราฝูะพุติปฏิบัติก่าทำนองเดียวกันถ้ามันสัมผัสในอัดในทำ ม, มันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนึกคิดอะไรก็ปปอดโปร่งสว่างสวัยถ้าชี้เลสบตัณหาขอบงาจิตใจอยู่สถ า, านที่ใดคิดอะไรมันก็มืดดำเป็นทุกข์ ไปปลอดโปงให้นี่คือเรื่องใจของเราทุกคนมันเหมือนกันถ้าหากว่าพูดปฏิบัติไม่จีแตกแตกต่างกันถึงจะพูดในได้คนใบ้ไม่เคยพูดเป็นตั้งแต่วันอ่อนวันเกิดมันก็รู้จักไปจับไฟไฟนั้นเป็นอย่างไรถึงมันพูดม่ได้มันก็รู้จักไปถูกน้นแข็งน้นแข็งมันเป็นอย่างไรมันรู้จัก แต่มันพูดไม่ได้มีการประชดประจิบัดของพวกเราทั้งหลายขอทํานองเดียวกันถ้าหากปริบัติใจจิตใจไปสัมผัสกับเรื่องอดเรื่องธรรมมันก็จะต้องทราบจิตใจที่เกิดจิเลี่ยนปัญหามาณทิศฐิขึ้นมันก็จะต้องทราบพอมันได้สัมผัสโดยตัวของตัวเองแต่นั้นการประจีบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญ ทุกท่านจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวไม่ใช่ว่าจะไปเสือตำหลับตำลาอย่างนั้นอย่างนี้พะมันเห็นมันเป็นในตัวคนอื่นไม่รับรองให้เรากวารับรองตัวของเราเองพะเราเห็นเราเป็นนี่การจะทำบาเพ็ญทางศาสนามีคุณค่ามีสาระอย่างนี้ทุกคนมีสิทิ